อย่างนี้หวงก็ไปบวชที่ก็เลยไปหาอาจารย์กูบอกผมบวชไม่เอาอะไรมากเพลงสมบุสมบุกได้ไหมเป็นบอกได้ก็เลยบวชบวชก็ทีแรกก็ไม่เลยภาวนาแต่มันมีแปลอยู่อย่างนึงก็คือไอ้วัดอรุณลังศีที่ไปอยู่เนี่ยมันเป็นวัดที่ค่อล่างมากนะผมก็อยู่องค์เดียวว่าเด็กวัดสองคนมันก็ออกไปเรียนนีดเดีเงียบผมก็นึกปัญหาขึ้นมาตายแล้วไปไหนะ มึงก็ตอบเองตายไหนก็ชังหัวมาไปแหละผลนึกอย่างงั้นหรากง่วงทันทีเลยครับง่วงก็เอาเอาที่สะเอ็ลงนี่มันฝังทันทีเลยมันไม่หิวน้ำทีนี้ไอ้น้ำธรรมดาผมก็ใส่ขันไว้กระทางตัวที่กูติที่สองชั่งก็จะดื่มน้ําน้ํามันไม่เข้บไปเลยหิวเท่าไรยันไม่ขบ้บจนกระทั่งตื่นขึ้นมาผมก็เลยเออไอ้ที่ว่าเราว่าตายแล้วช้ำว่ามันมันไม่จริงไงอย่างนี้เขาเรียกเปรต อนันนทีนี่อาจารยก็บอกว่าเอาให้พาวนาด้อยู่นะเอาภาวนาโดยมาภาวนาผมคิดวิธีของผมเองผมไม่เคยเอาตามตำาราเลี่นี่ผมกอกไปผมคือผมอ่านวิสุที่มรกคมาขนหมดนะนี่เออเอาตามตำรามันยากเหมือนกันี่ผมก็เลยแล้วผมก็เป็นคนฝึกตาผคนเกิดอิสระดิษฐ์าิพี่น้องก็ไมมีอย่างนั้นเดี๋ยวไปทำดวงกรสินอย่างนั่งตั้งเตียงนั่งบนเตียงสูงเท่านั้นอไ้ไหวยแล้วมีใครใช้ไททด้ไหมเนียผมเลยว่าเอา พอนีประจันทรก็มันขึ้นครับพระจันขึ้นเ็นเดวงมีวงวัด น, นี่แลตัดให้เสร็จแล้วง น, นั่น่าเกิดมาแอไเสีมาใชมาใช้ชนียฮะเกิดม เ, ม, เมื่อไรเมื่อเสยผมเกิดอะลโอไม่ใช่คนมาชทนอกหรอกผมไปมหมามิทลวัดบวรส่งผมไปสอนเมืองนอกกันงยี่สิปีมาแล้ว อ, อเข้าใจ้ผมไปตั้งวัดทํายุครั้งแรกที่แม่สอนนั่นก็นีตามไปตั้งเป็นเนยุติธรรมนี้เป็นครูแล้ว ไปไม่อยู่แม่สอนนะชลิตนะเป็นคนหัวลาโพงเลื้นหกก่ยกเลยเจ็ใครครับเียนังคือเลียนนี่นะฮะเลี้ยนนักธรรมผมผมไม่ได้เรียนครับบทเป็นวัดป่าเลยอ๋อป่านี่ก็ไม่ได้เรียนครับที่เกตามผมไปอยู่แม่ของสอนแล้วขึ้นไปอยู่บนเขากับแมวไปอยู่ในท่าเขาแม่อยู่จกรั่งโตผมเลยที่วัดงแขบบนหนึ่งที่วัดตลวงแขบทน้าจบนะครับไม่ได้ใจไม่ได้บทอยู่แลอวดี ไมใช่เอาของมถวายมาปูาปาปปผมก็เลเปยกระสีเอาอย่างนั้นเองกรอนใช่ั้ยใช่ครับทุกศิ์ผม <c oughs> วันนี้นี่ครับลูกศิษย์ผมเนี่ย <c oughs> โ, โด้คิดถึงผจานเย เป่าหัวมันหายไปทีน uh> um um> well> ี่มามาอยู่นี่สองภาษาใช่ไหมใช่เาเขียนจดหมายไปถึงผมมันเข้ามาอยู่กันทันทีนี่มีครอบครัวอะไรอย่างเก่ยงไม่ได้ดื่มสุราหรือเนี่ยเอานะดื่มดื่มสุราไหดื่มสุราไหมดื่มไหมสุรานี่ดื่มสูราหรือเปล่าบางวัดื่มครับ ก็มาถามก็มาถามแม่ควรดื่มผหรอก็มาถามมันหายไปเยอะแล้วภาวนาไว้เลยทุกวันเลยไม่ไม่ไม่ครับแต่พยายามคิดอยู่คิดคิดถึงธรรมะมีลูกศิษย์ผมแต่ก็ผมไปที่แรกมาเกือบยี่สิบปีแล้วภาวนาอยู่เมืองนอกแล้วก็เลยศรัทธาเลยมาบวชอยู่นี่มาตุคามเขาไม่เอาโรคเอียดให้เราหรือไม่ไม่ครับไมครับ อสอนภาษาอังกฤษนะทุกวันเ่ยอตอนนี้ไม่ได้สอนครับตอนนี้ทํางานทีโบยสั์ทำโมเดียลแล้วไปเยี่ยมหลวงปู่มหาไหมไม่เยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมเลยครับท่านจำได้ไหมจาได้ครับท่านเค็งหัวไหมคระเขกครับทุกครั้งเหยือาหารไหมถ้าเหยื่ออาหารมันไปทําวิชาโรคเสือ วิชาโรคเสือทำเองเลยไบสเกลไบเกลภาษาภาษาหนึงเป็นลูกเสืออยู่อะไบเกลโเมกดิงเนอร์ครับอยู่ออยนนี่ครับตอนผมไปอยู่อัจเรยใหม่ๆเข้ามาทำอาหารอะไรแวายย่างังคุกขาดตัยไว้ทุกวันทุกวัน ยี่นี่จังจังทคยันอะไป่ะผมผมเรื่มเปล่านากับนั่งสมาธิมาเด็ดนอนทีอะแต่ยังยังคิดไอ้ใจมีมีประโยชน์มากที่สุดมีทางใจใช่ก็ไม่ประโยชน์มากที่สุดทําอยู่บ้างนะเดี๋ยวไปทิ้งเนอทิ้งทำไมมีที่อาศัยเนอเออมันเป็นว่าเชื่อขาดเดี๋ยไปทิ้งธรรมะ เขาให้เงินเดือนของคุณเดือนละล้านบาทคุณจะเอาไปได้ไหมเดี๋ยวตายทิ้งเหมือนกัน่ก็ภาวนาอย่าไปลืมตัวในวัดตาท่องสารมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเส้นเลือดข ร, รุขระระดับไปความสุขในโลกมันไม่มีถ้ามันมีพระรหารก็ไม่มีประตูที่จะเบื่อนหน่ายสุขของขาาคารวะก็สุขเกิดแต่ความไม่รับ ลุกเกิดแต่ใจทัพ บ, บริโภคทุกเกิดแต่ว่าไม่เป็นนี่เป็นสินทุกเกิดแต่ทํางานที่ปาดทีาดโทษซึ่งอย่างนั้นเก็อยู่ได้อันิจจังเกิดขึ้นในคาฟฟวามเปรียบควรในแต่ละอายไดในในย้ได้ในโลกล้วนอานิจจังได้ได้ในโลกล้วนทุกขังได้ได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าส ง, งสัยเลยนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตเห็นอยู่เพรามคำลมหายใจเขา อ, ออกด้วยเว้นไว้แต่ไม่ต้องการถ้าต้องการก็ต้องเห็นอยู่ดูเวลาไหนก็เห็นอยู่เวลานั้น และก็ไม่สงสัยในเวลานั้นถ้าเราไม่สงสัยโลกทั้งปวงเราก็ไม่สงสัยใจเราทั้งปวงถ้าเราสงสัยโลกทั้งปวงก็สงสัยใจทั้งปวงก็สงสัยธรรมทั้งปวงก็สงสัยมรรคผลนิพพานมักปแลปลว่าเหตุแปลว่าพืชแปลว่ากรรม ผลแปลว่าผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมส่วนจะไปทางดีทางชั่วมันขึ้นอยู่กับเหตุพืชกรรมเป็นประมางสร้างเหตุพืชกรรมลงแล้วผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุของพืชของกรรมที่สร้างขึ้นไม่้จะไปทางดีหรือทางชั่วก็ตามวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นมันเป็นธรรมกาวานพืชทางชั่วก็พอได้ผลทางชั่ววานพืช ทางดีก็ได้ผลทางดีคําว่าพืชเป็นคํากลางคําว่ามักก็เป็นคํากลางมักปแปลว่าข้อปฏิบัติส่วนผลมันไหลมาเองมันทีนี่มักกับผลไม่อยู่ห่างกันพอข้าพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุพิจารณาผลก็พิจารณา เหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเมื่อเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้ามัดกับผลก็มาอยู่ห่างกันพอเก้าส่วนมัดก็แบ่งออกเป็นสองนะมัดในทางพุทธศาสตรนาท่านแบ่งออกเป็นสี่โซดาปฏิมัดสกทาไตรมัดนาไตรมัดอัคคตามัดส่วนผลท่านก็แบ่งออกเป็นสี่ โซดาปฏิสนธิสักทาไทรผลอนาไัรผลอรหัสตสกผลนอกนั่นต่ำกว่านั่นลงมาเป็นโลกีท่านมาค่อยยุ่งพรมรมชาและก็ไม่รับรองด้วยก็ท่านรับรองในไตโรโลกทานรับรองสุปฏิปนูเป็นต้นพมจันทร์ขององค์ท่านคือพระโสราวันผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดสี้นห้าผู้นั้นไม่ใช่สุปฏิปนุ ไม่ใช่ทำมาจักสุจากสุคือดวงตาไม่ใช่สมัญตะจากสุไม่ใช่จักสุรอบคอบผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดระบายยุขผู้นั่นก็ไม่เข้าถึงพระโสดาบันเนอผู้ใดเสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นมาปนเปกับศาสนาพุทธอัยนศนัตุเทพถือศาสดาอื่นผู้นั่นก็ยังไม่ถึงตจสารณคมแท ยังเป็นว่ลาเชื่อกขาดอยู่ยังเอาเป็นที่พึ่งของตนยังไม่แน่ยังเป็นนุ่นปลิวไปตามลมอยู่คนหมูมากลากไปทางเชือกไปกับเขาลากไปทางนี้ก็ไปกับเขา่เราไม่ใช่ไถจะให้เขาลากไปยังไงเราไม่ใช่ฐานไถลากไปทางเชือกไปกับเขาแรกไะทางนี้ก็ไปกับเขาเอาเป็นประมาณมาได้เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์กับตัวเชื่อตัวไม่ได้ คนหมู่มากกลากไปทุกวันนไงถ้าจะเอาคนหมู่มากเป็นประมาณหมดคนหมู่มากในโลงเนี่ยเขาบอกว่านิยมกินอุจจระว่า อ, อย่างนั้นใครกินอุจจระแล้วจะเป็นคนมีปัญญาอย่างเขานิยมกันกินหมดเพื่อแผ่นดินเนี่ยพบหลวงปู่ก็ไม่กินเนอะหลวงปู่ไม่กินเขาจะนิยมกินก็ตามหลวงปู่ไม่กินอื ทำคำสอนของพุทธศาสนาไม่มีที่แซงหรอกทาไมถึงมีที่แซงก็เพราะแซงเราเพราะเราทําไม่ถูกตามคําสอนของพระองค์เราก็ต้องแซงเราจะไปะแซงคําสอนของท่านไม่ได้พูดถูกแล้วนโะหนเอกแล้วนะพระพุทธศาสน า, าเป็นโหนเอกเอภัยมุขทุกประเภทท่านทายไว้ว่าบบทิบหายหน้าเดียวต้มโต้ ง, ตงเลย นั่นถูกไหมล่ะมใครไปเล่นธนาคารเลขมีไหมธนาคารอบายมุกไม่มีนั่นนั่นนั่นนั่นั่นนั่ น, น, น, น, น, น, นโขนเอกทายไว้ที่บรรดาบารบุญคุณโทษถูกก็คือพระพุทธศาสนาเท่านั้นเหมื่อนองนั้นสิ่งที่เป็นบาปบัญญัติว่าบุญก็มีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บัญญติว่าเป็นประโยชน์ก็มีเพราะอะไร เพราะอัตตาทิ่ปตายฝังอยู่ในหัวใจแล้ว เ, เพราะเห็นแต่วัตถุนิยมไม่เห็นอุดมคติชัดนะด้านอุดมคติจะปฏิเสธไม่ได้เมื่อร่างกายมันสกปรกโสมมจะปฏิเสธทางอาบหน้าไม่ได้ก็ต้องอาบหน้าถ้าอย่างนั้นก็เข้าสังคมไม่ได้ ยิดใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่ไหวไม่มีใครไม่มีผู้ใดจะสอนมันนอกจากธรรมะเสียแล้วธรรมะต้องเกิดขึ้นในทีน่พระสติพระปัญญาก็ต้องอยู่ในทนี่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงของตนชนะก็ชนะเกเรของตนแพ้ก็แพ้เกเรของตนชนะและแพ้ไม่มีในทางพุทธศาสนาภายนอก ชนะภายนอกแพ้ชาภายนอกไม่มีในทางาพุทธศาสนาชนะก็ชนะตนเองแพ้ก็แพ้ตนเองนี่หลักเดิมเมื่อชนะตนแล้วก็ชนะผู้อื่นไปในตัวเมื่อชนะเกเรของตอนแล้วก็ชนะเกเรของท่านผู้อื่นไปในตัวพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนา ที่ตั้งหน้าตั้งตาทําลายความหลงของตนความหลงเราเป็นแม่ทัพใหญ่เวชชาตันหาอุปทานก็เป็นเมืองเครื่องของความหลงเวชชาก็คือความหลงตันหาก็คือความหลงอันเดีก็เป็นเมืองเครื่องของความหลงนอกจากกิเลสไม่มีอนไรจะเป็นเมืองเครื่อง ข, ของกิเลสนอกจากพระนิพพานไม่มีอะไดจะเป็นเมืองเครื่องของพระนิพพานแต่พระนิพพานไม่ได้เป็นว่าเป็นเมือง ดีคูณดีทั่วคูณทั่วบวกดีคูณดีคูณอยู่ที่ใจไม่ได้คูณที่อื่นไม่ได้บวกที่อื่นถ้ารบก็ลบออกจากใจเท่อคูณข้คูณขึ้นที่ใจทางดีก็เหมือนกันทางทั่วฟังงานกันทำแปดหมื่นทีก็ทำมขันนั่นลงมาถึงเอกะในบาทคือใจมโนผุ้ฟังเมาธำมาำมโนเสถ่ามโนยาทำทั้งหลายในใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นหนทางเพื่อคนทุกนวมชาสงสารเสียงสมาธิปัญญารวมลงทีใจเราไม่ประพฤติตามใจทั้งหมดเรามีสติมีปัญญาควบคุมใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่เอามานึกมาคิดไม่ใช่วัดมันพานึกไปทางไหนเราก็จะไปตามมันเราไม่ไปเรารู้เท่ามันปุถุสัธรรมสารถีฝึกใจดีแล้ว มันก็ฝึกกายวาจาไปในตัวตพานเป็นเมืองขึ้นของใจเพราะใจเป็นผู้บงการเศรีในตัวเดียวคือใจสมาธิตั้งมั่นลงในใจปัญญารอบรู้ลงในใจตกลงศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจไม่รวมอยู่ที่กระดาษภายนอก บาปไปเขียนไว้ในตัวหนังสือหรือเพิมไว้ตวบะสตารกอสกดบาปมันด้อยู่ในที่นั้นบุญก็ไม่อยู่ที่นั้นอยู่ที่ใจของมนุษย์อยู่แต่ละท่านแต่ละคนนะพระใจไปดกรวมลงมาหาใจถ้าว่าเป็นสามก็กายว า, าจาถ้าว่าเป็นสองกกายกับใจถ้าว่าเป็นสี่ก็ธาตุสี่ หรืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักทุกเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนิโรธเป็นผลของมักมักเป็นเหตุให้ถึงนิโรธพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่เพิ่มอารมณ์ให้แก่เขาสมุทัยและตันหาก็เบาบางไปในตูวมักก็เจริญไปในตูวนิโรธก็ทําให้แจ้งไปในตูวไม่ใช่ว่า จเจริญทุกน์แล้วก็เจริญสมุทัยแล้วก็เจริญมรรคแล้วก็เจริญนี่เราอดอยากนั่นเป็นเรียงแบบไม่ถูกอันไหนบุคคลผู้จะสิ้นความสงสัยใดๆก็ต้องสิ้นในปัจจุบันนจิตปัจจุบันน่ะธรรมไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ธรรมอดีตไม่ใช่ธรรมอนาคตธรรมปัจจุบันเหตุฉถึงได้นลงว่าปัจจุบันนันจะโยธรรม ผู้ใดเห็นทำในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอแง่คอนแคลนในทางพระพุทธศาสนาเลยผู้นั้นมีหลักด้วยเพระเอาปัจจุบันเป็นหลักพระเอาปัจจุบันเป็นตัวประกันเอาปัจจุบันเป็นพระญาติเห็นทุกในปัจจุบันชัดทุกในอดีตอนาคตไม่ต้องสงสัยถ้าสงสัยอยู่ก็เรียกว่าไม่ชัดในปัจจุบันเราเลือกก็เห็นตามสัญญาไม่เป็นประขาสิทธิไม่ชัด ไม่เป็นจินตามนญาปัญญาไม่ใช่ภาวนามนญาปัญญาไม่ใช่สุตตามนญาปัญญาสุตตามนญาปัญญากินตามนญาปัญญาภาวนามนญาปัญญารวมพลกันอยู่ในปัจจุบันเป็นกองทัพธรรมไม่ได้แยกกันเลยศียสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องแยกรวมพลกันเลยเป็นเชื่อกสามเกลียวแปดหมืนสี่พระธรรมะขังก็เป็นแปดหมืนสี่พันพระัธรรมพระธรรมขังเกลียวเนา ถามลงเป็นหนึ่ง น, นัถ้าไม่ลงหนึ่งก็ไม่หลงสองเหมือนกันก็ไม่ลงสามลงสี่ลงห้าเหมือนกันเราจะนับออกไปตั้งล้านตั้งแสนตั้งหมื่นตั้งเท่าใดล้านก็าตามก็นับออกไปจากรักหน่วยถ้าย่นลงมาก็ลงย่นลงมาหารักหน่วยเชือกที่ขึงยาวเหยียดไปทั่วใต้โลกท่าก็ออกไปจากหลักเดิมเขม้ามา เราจะพูดมากจนถึงวันตายก็ออกไปจากหนึ่งเราจะย่นลงมาขย่นมาหาหนึ่งสัพพจิตย่นลงมาหาเอขจิตสัพพธรรมย่นลงมาฮาเอขธรรมสัพพศิณย่นลงมาฮาเอขศิณสัพตาสมาธิย่นลงมาฮาเขอขสมาธิสัพปัญญาย่นลงมาฮาเอกปัญญาในปัจจุบันทันตาที่เพ่นอยู่นั่นเองเราพี่ดินดินจึงจะมีเราพี่นานาเมลามัจึงจะมี เราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีไม่ถูกอะมันมีอยู่ก่อนแล้วในปัจจุบันแล้วถ้ามันมีไม่มีอยู่ก่อนมันก็ไม่มีประตูจะเห็นน่ะสิ่งของต่างๆมันมีอยู่ก่อนที่เรารู้แล้วผู้รู้นไปรู้ล้างฉากเฉยๆหรอกเหตุฉะนั้นท่านจึงยันเราผู้รู้ไม่ใช่พระเนผานพราะเนผานไม่ใช่ผู้รู้ฝากผู้รู้ไปจนไม่มีที่หมายะ ถ้าหมายอยู่มันก็เป็นนิมิตฌานนิมตอานิมิตตานิมิตอภินิหิตตานิมิตอภินิหิตตานิมิตฌานิโม์อานิมิตาวิมกินิหิตตาวิโมกขว่างจนได้มีเที่หมายไม่ใช่สาไม่ใช่บุคคลบางท่านมาถามว่าผมทำไมจึงสู้เวทนาไม่ได้ผมจะข้ามวิเวทนาด้วยวิธีไหนบางท่านพูดอย่างนั้นเออ ถ้าสำคัญว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเราก็ข้ามไม่ได้เท่าไรสําคัญว่าทุกขเวทนาเป็นเราเราเป็นทุกขเวทนามันก็ข้ามไม่ได้เพราะข้ามเวทนาต้องเอาปัญญาข้ามเอาสมาธิข้ามเวลามันลงปรวมอยู่มันก็ไม่ปวดแคบปวดขาเมื่อเวลามันขบดขืนมันก็ขบดขืนอีกเหมือนกันมันสู้มันไม่ไหวเพียงสมาธิสู้มันไหวเนอะนิโรธสมาบัตดเข้าไปเกตวันเท่านั้นก็ถอนออกมาเพราะอยู่ใต้อานาจอนิจังนั่ง ออกมาก็หิวจะตายอย่างนั้นเห็นไหมนีน่รอดชะมาบัตดก็เป็นก็เป็นสังขารเพราะเกิดดับเป็นส่วนจิตใจท่านผูกเข้านิโรธชะมาบัตพระารหันไม่ใช่สังขารอันนั้นเพราะท่านอยู่เหนือไปแล้วถ้าไม่ติดอยู่ในนิโรธเหตุเช่นนั้นเขาไปถามนางธรรมชินานบอก ว, ว่าเวลาอยู่ในนิโรธเป็นยังไงเวลาอยู่ในนิโรธไม่สําคัญต่อวอยู่ในนิโรธ และก็ไม่สําคัญต่อ ว, ว่าอยู่นอกนีโรดเวลาถอยออกมาก็ออกมาหาจิตตาสังขารแล้วกับวิจีสังขารแลก้กไกสังขารลมให้แกเขาออกเวลาเข้าก็เข้า น, นั่นเกิดขึ้ น, นแล้วแววเวืนแแตกสลายฉะนั้นพอบรมศาสต า, าจึงเข้าในอดสมาบัติก่อนก็เพระาะธรรมเนียมขององค์ท่านถึงแม่ท่านจะเข้าแล้วไม่เข้าก็ตามท่านจะร่มตึงตายลงท่านก็ไม่มีกิเลสเนะ่ยเพราะท่านขาดไปแล้วไม่ใช่ว่ากิเลส เวลาพาระลหันเข้าสมาธิกิเลสจึงจะไม่มีอย่างนั้นไม่ใช่อะ น, นั้นเพราะมันขาดไปแล้วอันนั้นรักษาธรรมเนียมไว้เฉยๆเลยเพรนมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวคําสอนพระพุทธศาสนาสอนมากก็สอนคําเดียวท่านละย้นลงมาหาเองกันในบาป มากก็มากออกไปจากไกลย่นลงมากระย่นลงมาหาไกลน้อยก็น้อยออกจากไกลนั่นีน่เค่นั้นจึงยืนยันมนุษุกภังเป็นหลักเดิมเป็นมูลเดิมสราวะทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกเกิดขึ้นแล้แปรปรวนและแตกสลาย โรคที่มีใจคลองแล้วไม่มีใจคลองโรคที่มีใจคลองเรียกว่าลูกประโรคโรคที่มีใจคลองโรคที่ไม่ไม่ไม่มีใจคลองเรียกว่าอรูปประโรคเดียวโรคที่เป็นอารมูปเรียกว่าอรูปประโรคโรคที่เป็นนามเรียกว่านามะโรคนามะโรคก็ว่านามะธาตุก็ว่านามะขันก็ว่านามธรรมก็ว่า โรคขันนามขันขโรคประโลกเน่าโรคประโลกโรคประธาเกิดขึ้นได้แปลว่าอะไรกแต่สลายไปเหมือนกันทั้งโรคเจะนามด้วยบรรจุอยู่ในโลกนี่ก็มีแต่สิ่งที่เกิดดับเท่า น, นั้นสิ่งที่เกิดดับก็คืออะไรก็คือทั้งขันเรา ด, ดีนี้เองทั้งขานที่มีการครองและสั้งขานที่มันมีการพองเต็มยัเดเยียดอยู่ในโลก เมื่อสังขารมีหน้าทีเกิดขึ้นแล้วแ ป, ปลปรวนแต่กสายอย่างนี้ลูกไม้ของสังขารลูกไม้ของโลกมันจะไปรับไปรีอยู่ที่ไหนพอเราจะอา่านไม่ออกเมื่อเราอ่านออกแล้วเราก็ไม่สงสัยโลกทั้งปวงเลยว่าจะเป็นอื่นนอกจากทุกตัด เ, เห็นเพ่งเลยไม่ต้องมีดีกาไม่ต้องมีอุทรสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดิน มนุโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักรมาพระสาชคดิษฐ์โฟมโลกได้แก่โลกขพระเจ้าคดิษฐ์และอรมณ์ประภมิสี่ชั้นรวมลงมาในสังขารโลกสังขารนาปนมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังเป็นทุกอย่างยิ่งอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันนั่นเมื่อใดเห็นสังขารนาไม่เที่ยมเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุก นั่นแหละทางแห่งวิสุทธินั่นแหละทางแห่งศีลแล้สมาธิและปัญญาวิสุทธิกรงกลืนกันอยู่ไม่ใช่ศีลว่าศีลจะตั้งอยู่ที่หนึ่งสมาธิจะตั้งอยู่เท่หนึ่งปัญญาจะตั้งอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่มันกลมกลืนกันอยู่ค่ายกับหนังเนื้อเอนกระดูกหรือหน้ากับตาเคยเห็นหน้ากันอยู่ แต่ก็เห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันเขาพูดอัพคอยอ่อเมื่อปา ร, รถถึงพุทธโทก็เกี่ยวโยงถึงธามกเพลงเลยสังโฆก็เพลงเลยนะเมื่อตะปั้นตีดินในประเทศไทยก็ถูกทั้งเพศประเทศอเมริกาและรัสเซียด้วยเพราเป็นของแข็งมีน้ำขั้นอยู่ก็ตามแต่ว่าใต้น้ำมันก็มีดินอยู่น่น เมื่อไม่เอาปัจจุบันเป็นพยานใครจะเสี่ยงความสงสัยของตนได้เห็นอันนี้จังขณะจิดเดียวเห็นรบโลกแล้วเพราโลกต็มไปด้วยอันนี้จังเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเห็นพร้อมกับขณะจิตที่พูดที่นึกที่คิด อ, นนอันนี้จังอันนี้จังอัละเอียดล่ะผู้รู้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วที่สุดยึดก็เหมือนกันติดต่อกันอยู่หาหว่างไม่ได้ ใครว่าจิตไม่เกิดไม่ดับผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฐิน่นเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิเตเจตสิกนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าจิตเป็นพระนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าพระนิพพานเป็นจิตนั่นจิตถ้าทําถูกก็เป็นหนทางเขาสู่พระนิพพานเท่านั้นยืนยันได้เพียงว่าจิตก็ลดพ้นจากเครดิอาธะนั่นยืนยันเท่านั้นนี่พระอรหันต์ไม่ตายแล้วพระอรหันต์ตายแล้วบรรัญญัติจิตไม่ถูก เพราะไม่สนฉันอ่ะค่ายเขาแก่จะตายแล้วจะมาเรียกคุณหนูอยู่มันก็ไม่เหมาะสมเกิดมาศึกวิชาพลังจิตตังจิตะถาพพยังลงสูงสังขัรเร้วเพราะอยู่หนึ่งอเจ็บอยู่หนึ่งอสังขาแล้ว ไม่สำคัญว่าจิตเป็นตนจนเป็นจิตก็ไม่ลำบากไม่จิตไม่สังขารว่าไม่สำคัญว่าทุกเป็นตนตนเป็นทุกก็ไม่ลำบากไม่ทุกสิ่งไหนถ้ามีตนเข้าไปสอกสอดแทรกสิ่งนั้นก็มีเรื่องมากมีเรื่องมากเรื่องไม่มาก สียงไหนถ้าเข้าไปสําคัญสอดแทรกว่าตัวกูของกูก็ต้องตามไปด้วยงัดนเมื่อของกูตามไปด้วยที่นี่ของมึงก็ตามมาด้วยแล้วก็เกิดทะเลาะกันหลถูกไหมและตัวสติที่อริยะสติถ้ามันเกิดขึ้นทีเดียวมันก็สําเร็จกิจหมดแล้วถูกอริยะสตินิพานมันเรียบด้วยไปหมดแล้วถูก พระรหารเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใครโจทยท่านด้วยอาบัตเรียกสกติวินยัยสติในตใตเโาก็ท่านไมาเท่าสติพระรหารสติพระทหารเป็นมียานชั้นยศอยู่ด้วยความเคยชินไม่ต้องลำบากรักษาสติแต่ก็สอนให้รักษาสติเหมือนกันเช่นอัชีกรบางอย่างก็บอกว่าสติวินยัยพระรหัารทำผิด ไม่มีพระฐานไ ม, ไม่ได้ทําผิดเพราะไม่มีเจตนาพระฐานลืมสติไหมลืมเป็นบางครั้งบางคราวเช่นลืมเก็บเพศไปรเจ็ดวันเป็นต้นหรือลืมอธิษฐ า, น เ, น, น, น, านเป็นต้นหรือปฏิจจารไปจีวรเป็นต้นแต่ น, น, นานที่สุดแต่ไม่มีเจตนาในองค์ท่าน เจตนาไม่มีมในพาาระนาันยณ์คิดบริสิฮะคิดบริสุธิ์คิดบริสุทธิ์แล้วไม่จําเป็นจะรักษาจิตเอกสติส่วนนี้เป็นมันสติส่วนโลกไม่ใช่สติโลกอุตระสติุรามีหน้าที่รู้แจ้งอริยสตยทิที่พันธนิ้มถูกทำลายขัตตุปาทานขันหานั่นถูกพระอุปาทานขันไม่มีเนี่ยมันก็หมดปัญหาที่จะพูด อันนี้มันเสพมัน <laughs> เสพมัน <laughs> ถึงไอเรืจอตสตุสติกินน้ําแข็งน้ําชาเนี็ยมันเสจมัน <laughs> เสพมันจะมาหาพระรหันต์ในสกุลแลร่างกายมันไม่เจอมันไม่เจอไม่พบจะมาหาพระรหันต์ในคันห้ามันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบจะมาหาพระรหันต์ในบุคคลมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบ หลวงป่วนเป็นว่าระเบิดขันหาน้าสกอนมันวะนี่แหละเาไม่ระเบิ ด, บดยังไงกันโน้ระ เ, เบิดก็คือทําลายลงสู่อนัตตาระเบิดก็คือทําลายลงสู่อนัตตารูปังอนัตตาเวท น, นาอนัตตาสัญญาอนัตตาสร้างขาราอนัตตาเวิญญาลังอนัตตาตัมเบยสร้างขาราอนิจจาสัมเบยธรมมาอนัตตาติ พระอรมศาสตภาพมีชีวิตอยู่ได้ทรงเทศน์ครั้ง5มากกว่าเพื่อนธรมาโนโซ่พภกวาเอวังวหุรังสาวเจเวณีติเอวังภาคาสมณักขะภควาสู่าวเจสุอนุศาสนีบาหุระวหุระปวัตติติต่าติตาติติแทบมันเกิดไวไม่ทันรู้ตัวหรอถูกแป๊บนี้อีกไฟฟ้า ถูกมันไม่มีถามตอบเป็นต๊บเหมือนเามือไปขี่ไปมันร้อเลยถูกน่าตัวเซนให้สติว่าเดินเหินข้างนอกนี้มันเอาไว้ใช้ในโลกเท่านั้นเองทุกถ้าไม่มีทุกก็ไม่ต้องปฏิบัติออกจากทุกมันมีทุกยังปฏิบัติออกจากทุกเราหนีทุกหรือให้ทุกหนีจากเราเรารู้เท่าทุกทุกก็หนีเองถ้าเราไม่รู้เท่าทุก ทุก็ไม่หนีเร ล, ลืมตาเข้าเราเมืดออกไปเองไม่ทํางให้เืออาเมื่ อ, อไรแต่ประสาตตาไม่มีหรือในที่มืดมาท่านพูดบอกว่ า, วาละอันนั้นละอันนี้ก็ถูกอยู่เพื่อแสดงเป็นบุคลาธิสารเป็นกิริยาอาจจะแค่เมื่อมันรู้เท่าอันไหนมันละเองมันถ้าอริยสติมันยังไม่ไเกิดมันไม่ละหรอกครับถูกมันก็ได้จะปากว่านั่นแหละคำ่นี้นิดหน่อ ย, อ ย, อยมันไม่ไดสมบูรณ์อะไร มันไม่รู้เท่ากันนะโลกมันไม่ขาดถูกทังโลกเครื่องผูกไกลหักกะยาสิถีวิธียังไมมันการทั้งสามอันเก็เอาละสามอันถ้ามัาดสามอันแล้วอันอื่นค่อยขาดไปเองเหมือนกับงูจัดหัวล่ะถูกไม่ได้หรอกถูกถ้าขาดสามอันแล้วอันอื่นขาดไปเองเพราะฉะไอขาดสามอันแล้วพุกโททะมูสังโกลในปานไม่มีสงสัยถูกถูกฟังออก ล้านเปิดเสร่มล้านเปิดเสริม เ, เลยแต่มันยา ก, กนะเพราะไอ้คนที่สร้างบา ร, รมีมามันมีน้อยไปทุกทีทุกทีแต่ว่าเมื่อเห็นว่าสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์สิ่งนั้นไม่ต้องได้พยายามักทิ้งมันทิ้งเองตูมเลยเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เหมือนลาลายถ้ามันเห็นชัดว่าไม่เป็นประโยชน์มันก็บ้วนทิ้ง มันก็ไม่เสียดยเอาคืนมาอีกด้วยปัญหาก็ไม่มีในน้ําลายนั่นระวังข้าเนอเจะเอาน้าลายมากินอีกมันก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ไดระวังเราว่าจะเอาว่าน้าลายมาอีกเพราะเราเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ใครๆก็เหมือนกันทุกท่านถ้าเห็นอันนี้ไม่เป็นประโยชน์ชัดมันก็ทิ้งตูงเลยที่มันทิ้งไม่ได้เพราะเพราะมันเห็นว่ามันมียังมีประโยชน์ยังมันยังมีมิตสาธิตในตอนนั้นอยู่ สัตว์ที่มันไม่มีบุญพรมันเข้ามาถึงพุทธธรรมไม่ได้ไม่ได้ครับนันไม่ได้ก็อย่างนี้กับที่อริยสติก็เทกันไม่อยู่แล้วมันสําคัญที่มรรคพระพุทธเจ้าเทิดมรรคก่อนที่เทิดอริยสติทีหลังถูกกมันต้องมาทางนี้ถูกถึงจะมาพบกันนะจ๊ะถูกแต่มันมองไม่เห็นในคนน่ะพระก็เหมือนกันพระเหมือนกันนะเพราตัวสําคัญที่สุดคือตัวตัวมรรคกันถูกถ้าเจริญอริยสติรวมมรรคได้มันถึงจะรู้เรื่องกันได้มันไม่ใช่ไปว่ากันยาวๆน เหตุของสติผลของสติมันทั้งประยุทธ์อยู่ในตัวเหตุของผู้ทูธผลของพุทโธอยู่ในตัวเหตุของสติผลของสติเหตุของรูปตัวผลของรู้ตัวมันเหตุกับผลมันเชื่อมกันโยงอยู่ในตัวแล้วทีนี่พระเราเนี่ยกับสามแสนอ่านมาแล้วประจันตุกติกท่านก็บอกโกงๆอ่ะอาจารย์อายเจิญมักเลยทีเดียวก็ไม่เอาเจริญสติไปทีเดียวก็ไม่เอาไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถูกมันมันไม่เข้าใจอ กรรมไม่กรรมบังตากรรมโมเนาว่าที่โบกรรมอะไรโบแม่ได้ฟังเทศน์อาจารย์สงใจเลยโูถวายขาน้ำข้าวไฟหลงนะเอาของอัตมาสมัยท่านห้าพัน0้0พันท่าอถวายน้องปู่ห้าพันนะฮะแม่ไม่ได้ฟังเทศขนาด ถึงพวกผู้ใจมันหาคนเทอยากคนต้องปีนภูเขาขึ้นมาก็โวหารโหวหารก็บอกตรงๆอยู่แล้วก็ให้หารลงถูกไหมโวหอนก็ให้ยหานลงฮันมันหมดไปเลยหนึ่งศูนย์แสนไม่ต้องพูดกันแล้วอ๋อฉันจโหไม่มเมต <Cornell> ถ้าโบราณศาสตร์ษาสอนให้สังข <Yeah. S 2> ์ข <Yeah. S 2> ้าวโอ้ยสังข์ข้าโอก็อย่าสงสัยเชื่อกเส้นเดียวจะถึงยาวเหยียดออกก็อย่าสงสัยโค้งเข้ามาก็อย่าสงสัยถูกไหมผมนั่นแหละสังเพศจับองค์จับใจมานานเลยทีแล้วไหมไปจะได้มาต้ปลี่ขาขึ้นมาคุ้มค่าเปลี่ยนเขาไหมล่ะคุ้มค่านะะเออ มี่แต่คนพูดกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาเห็นใจจึงไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ปฏิบัติพ่อบวชมาไม่ได้วงหวังเพื่อจะพ้นทุกข์ทำยังไงกูจึงจะมีร่าทำยังไงกูจึงจะมีรถยศทํายังไงกูจึงจะมีชื่อเสียงคือครูบาอาจารย์นี่มันมุ่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นสีถูกไหมนั่นถึงว่าที่ใหญ่ๆโตๆทุกวันนี้่เหมือนกันไปไม่รอดไปไมารอดถ้าเพื่อหวังพ้นทุกข์นปัจจุบันชาติ ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ทางปัญหามันจะมีมาจากตูตไหนถูกไหมนี่บุญไม่พอ ม, มันไปไม่รู้ไปไม่รู้อ <laughs> าออ <laughs> จารย์ผมที่กลับขอบพระเดศพระคุณดีให้บรรด า, าสามสีไปหามขึ้นมาไม่งั้นไม่ไฟังเทศน์อาจารย์ <laughs> ผมไ <laughs> <laughs> ม่ได้ผมจะกลับแล้วผมนึกว่าจะลงไปขึ้นผมนึกว่าจะลงไปอยู่ผมนึกว <laughs> ่าจะลองไปเขาจึง บอกให้เขาจะรับรองไปหามมาถ้าถ้าผมไม่จะลงไปเขาก็ น, นึกว่าจะไม่ไปหามเนี่ยให้จันเจอจั น, นมั่นตอนไหนโอ้สองพันสิบห้าแปดสิบเก้า้าิบกสนอนยู่สะกเ น, ะะนาะสกณจนจั่กูก็ไปตอนนั้นเหมือนกันโอ้จันกูไป<อ><อ>รบกูมั่นนิพพา น, น, นรบรบปูกูอยู่วัดบ้านมะนาว<อ>ปีหนะ้ะ ตอนท่านจังกูยังอยู่เนะี่ยผมยังรับราชการเน้ตอนท่านจันมันยังอยู่ผมรับราชการอยู่ เ, เดี๋ยวเวาท่านจันมันไปท่านจังกูไปที่ท่านจันมันกลับมาก็ลอยฟังไอ้กูเขยหว้เค็มเราฟังทำไมาทาน่นท่า น, น ล, าลูกแล้วเปล่ารู้เออบ้างยูน่าเนี้ยนี่ยูนามันกับข่าสองพันศาเนี่อ นานกับข้าสองมหาเนี่ยมหาหลวงปู่มหาออกนี้จากหลวงปู่มหาย่ามที่ให้น่ะใช่อยู่เดี๋ยวเนี่ยยังดีอยู่ครับผมย่ามที่คุณเอามาให้นะครับผมยังยังยังดีอยู่ดีใจอยูยังดีอยู่นะครับไปไหนไม่รอดมาเป็นประขาวอยู่นี่ยังดีกว่าครับ ผมอยู่ที่ออสเตเรเลียเขาเขียนจดหมายไปถึงเรามาอยู่ภูโจโ ก, โกอยู่ไปทางเหนือจานแต่เขามีโอกาสได้มานี่ยเมื่อพูดกระหมูก็พูดมากเมื่ออยู่แต่ตัวคนเดียวไม่ต้องเอามากหรอกต้องการเอามากก็ไม่สงสัยนะมากเมื่อ น, น้อยก็ไม่สงสัยในน้อยจะขยายออกก็ไม่สงสัยจะหดเข้ามาก็ไม่สงสัยก็เชือกเส้นเดียวนั่นเองทีนี้ครูอาจารย์แจกหนังสือ เราชอบดูเราชอบดูโยพุทธะดูทําไมเราสงสัยนะเพราะเขาระสงศงเราไม่สงสัยเราเป็นแต่เพียงว่าครูบาอาจารย์ท่านจะแตะฐานในธรรมะขนาดไหนเท่านั้นไม่ได้สงสัยเช่นหนังสือพระบรมาศาสดาที่ท่านเทพแต่ละคัมพีรเหมือนกันตั้งใจด้วยรกสี่สิบ้าเร่อผมไม่ได้สงสัยสักเล่มเลยแต่ว่าเล่มไหนท่านอธิบายละเอียดคนนึกว่าแต่ละเล่เมนในเลเ่มมันโยงถึงกันหมดแน่เ ช, ช่นธรมรมิตากระปุกตะนาสูตรท่านเทพ ผสมมงเทศนาผสมประเทศเนะมันก็ครบไปพระไตไปลฎกมาแล้วถูกไหมอืมคือพวเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าเย็นจะตำราเนี่ยไม่ว่าไทยไม่ว่าฝรั่งเขาขึ้นแต่พุทธศาสนาคือได้อริยสัจสี่อาทะลุสมัยมาสาเร็จแล้วอ่ะพุธเจาใเทศกงกรงนี่ครับถูกขึ้นต้นทันเทศอริยมรรคก่อนถูกมัชฌิมปัฏฐานก่อนสิทสมาธิปัญญาก่อนแล้วทจะแสดงอริยสัจสี ไม่มีใครสงสัยว่าทําใหมันไปอย่างไงผมไปภาวนาอยู่ว่าเตรียกันเกือบสี่ห้าปีมันถึงรอ๋อมันอย่างนี้เองมันจริงจมันเจ๋วดีจดคด้ายๆว่าถ้าจะมาตรงนี้มันต้องมาหนทางที่ถูกถ้าไม่มาหนทางแล้วมันจะถึงที่นี่ไม่ได้ถูกแต่ว่าคนเราไมมันมองไม่เห็นมันข้อแปดมันคือว่าทํามมันขังอยู่ในตัวเล็กตัวมันสำคัญนี่ครับถูกถ้าไม่เดินทางมาถึงนี่มันจะมันถึงได้อย่างไงแล้วมันมาถึงมันจะพูดไปได้อย่งมันก็ฝันไปส่งเดชนั่น ผมกลับละนิพานนิพานนี่ถ้าจะเดินไปไหนมาถึงมาเจอเขาได้เที่ยวเวเวกมากี่ปีแล้วครับอมาที่แสองถัน้าร้อมาอยู่นี่โอ้สองพันหาร้อยผมอยู่ฟูนตงสองนาร้อยมาู่สองพันห้าร้อยผมจะมันตายอยู่สองพัแปด สี่ร้อยแปดิบเก้าหลวงปู่มั่นเก้าสิบหลวงปู่มั่นเก้าสิบเอดหลวงปู่มั่นเก้าสิบสองหลวงปู่มั่นเก้าสิบสามถวายพระเพลิงหลวงปู่มั่นนะลงไปอยู่กับหลวงปู่เทศเทศรังศรีนิมพ์เป็ดผมเคยอยู่กัท่านที่จันทบูร์เออจันทบูร์ครับคงคงไปอยู่ก่อนผมผมพศเก้าสิบเอดครับเออเข้าใจเก้าสิบเอดพอ้าสิบสองท่านก็เียโลงปมันเก้าสิบสาถวายพระเพลิง 92เ ส, ส้นลมฟานในในเดือนพฤศจิกายนผมไปอยู่กับท่านในจันลีพศ91กับท่า<อ> น, นจันเทดวดาสององค์าอใจปีนั้นหลวงลปู่เทพจำภาถาของกุ้งครับท่านจันลีเรยเขียน่านจลีเคเขียนแล้วท่านจานโชค อ, อะเขียนท่านจันโชคไปผมไปเจอท่านที่วัดเจดียหลวงแล้วเลยตามไปอยู่กับท่านบนภูเขากรเลียงผมไปสองปอนดเก้าปี ท่านอาจารย์่านอาจารย์บุญหลายท่านอาจารย์ชอบอะไจะคุณอริยคุณาทัยอะไรกันแต่ที่ทุกคนในฐานเพื่อไปติดสัญญาเติมมากสิดนิมิตถึงมมากเสียตอนนี้เพราะเพราะหนักในปริยัติผมรู้จักดีครับมูชักดีหลักหนักในปริยัติผมวนไปใหม่มาอยู่วัดศีมาล่านต่ก็คุยมาเห็นเทวดาเห็นผีบอก เออนอา จ, จารย์กูผ่านไหวพวกที่เป็นสัญญาเท่านั้นนะถูกอา จ, จารย์กูอะไรก็สัญญาหมดเลยเป็นอะไรต้งแต่เรื่องเลย <c oughs> ท่านไปทางโค้ ง, งคนี่ไม่แปลว่าเครื่องหมายนี่ไม่อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังเกิดขึ้นแล้วแปลว่แล้วแต่ลายนีนไม่แปลว่าเครื่องหมายหมายไ้ที่ไหนก็ต้องเป็นในวิธีนั้น มาที่นี่เขเป็นนิมิตที่นี่จะลองเล่นกับขันห่านันเป็นเสร็จเลยเออ <laughs> มันมารวมที่นั่นแล้ว ม, มารวมที่นั่นแล้วระเบิดลงที่นั่นร <laughs> ะเบิดลงที่นั่นมารวมที่นั่นเล <c oughs> โขโย <c oughs> ขันห่าขันทารกเขามารวมเนี่ยันห่านนีแล้วแม้วนี่สบายมาก <c oughs> พูดถึงกันท่านบนฟังเพลงไม่ได้เลยพูดถึงกันโทรมอนสโคโทรมอนสโค ตัวโงโก้โทษโง้โกจะชุะชุะโทษไว้ไปถามหลงปูลงไปถามหลวงปู่ลงไปหรือหรือเดี๋ยวเวลาร้งฝันคือคือบัาเลยหเวลาลงคิดอ่างากลับเดี๋ยวเดี๋ยวเสี๋ยวเดี๋ยเท่าบวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเยเดี๋ยเดเดเดี๋เดยวเดี๋ยเดี๋ยววมันลงวดีเี๋ว่าเวลาเวลาไปเป็นยบาดเนี๋ย ออผมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้วินบนบาลแล้วอยู่มึงเราข้าวมาส่งเลยครับเออเอ า, า <c oughs> เอาไม่เนอนอพราะขามีไม่ข้ามาท้กอันเนี่นี่ฮะเอาเอาเอาออนเขหายหนึงอ่นข่าหยหนึ่งเพื่อเพมันไม่ไหวแต่ว่าอันดำมั น, น, กกน <c oughs> หนักจ่ายอันเาหนอยครับเอเอ <c oughs> เอบตงัั โอ้ตัวตัวตรวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตันตัวตัวัวตัวตันตัวัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวบัวตัวตัวตัวตันตัวตัวตัวตัวัวััั ขอโ่านโมขอโทอานขอไจุกไปจุกมเป่ากระไหมขอโทษนโมท่านโมอเป่ากระหม่อมให้ถึงจิตใจให้ถึงพระพุทธปรระสง์เป็นพุคลาธิฐานที่เฉลยดับเป่ากระหม่อมก็คือเป่าจิดเป่าใจเตือนจิตเตือนใจถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เอง ถ้าเราไม่ถ้าเราถือว่าเป่ากระหม่อมเป็นของขังอย่างนี้มันก็เป็นเสวยศาสตร์เป่ากระหม่อม ก, ก็คือเป่าหัวแทนหัวใจเพราะหัวใจเรามองไม่เห็นมันแล้วก็เป่ากระหม่อมแทนมันแปลว่าเตือนใจเตือนใจปลุกใจให้ถึงวุฒิรรมพระสงค์ให้แน่นลงไปอีกแน่นลงไปตะพุตตะพือแน่นเกินไปไม่มี เรู้ลำไส้วะพุทธธรรมผสมเกินไปไหมมีมีแต่มันไม่พอผู้เขาคลวยบะติงผู้เขาเิมาล่ายค้วยบะติงใจถึงว่าพุทธธรรมผสมกับกค้วยบะติงขึ้นกันขนาดน่นเาเข้าไปผูบเขา โอ้ออมาดูแลก่อนเออฮึ อันนั้มันทั้งไฟเราเอาไปทังยังบวชกินเราหน่ะมีคนโอ้ครับครับครับครับครับโูดชัวยสมมทั้งโครถมมดทั้งโประจุประจุประจุประจุรถมมูทั้งโประจุประจุประประจุประจุประจุอไเงี้หเส่ะนครับ ฟังรูส้สูเกินสมมตะต้องไปยากสุดที่แหละว่ามันพ้นสนทน้าของน้องบวกตัวไหน ส, สักตัิดกอดเปตัแกของคทมาัอ้องอสเตรเลียประเทศไทยเข้าเนี่ยพายุหุนน้านออนก็เข้าภาษาเดียว เราเ็นลับเฉดต่างก็กีวให้ไอาองค์มีหลายปัณณได้เมารวมอยู่กับรู้ร่วมกับมฐ า, านเดียวไม่ไฟสั้งขานสั้งขานที่ม่หลายกรรมฐ า, านปัณก็สร้างก ร, ารกมาร่วมอยู่กรรมฐ า, านเดียวอันวมเกิดขึ้นแล้วไปปวดได้แายนะขันเมื่อนายอเนรกรพนท่านะสัญญาเองโลหาน โ, หานโหารหวมน้อวมคิดสีมีหลายปัณณ์ก็จามก็มาร่วมอยู่ ที่เกิดขึ้นเนี่ไปผวน่าแต่สลายอย่ะนะเมาร่วมอยู่อานิจจางทุกครัอนาาัตาร่วมของพ้นนัฮะของพ้นของคว่ำหลงก็มาร่วมไปหันรู้แจ้งก็ต้องรู้ฮันะรู้ในปัจจุบันฮะปัจจุบันเอามาไว้หมดแล้วทั้งขานทั้งปัวงในใตแต่โลกธาตุเมธะเละเอามาร่วมเนี่ปัจจุบันหมดแล้วสี้นสมาธิปัญญาเมธะเอะเอามาร่วมเนี่ยปัจจุบันเลยจะไปข ว, ว้าหาบ่เอื่อมันกับวัตถุแล้วเขาเอามาไว้ฮันเป็นบ้าว่า นี่บอกสั่นเลยเว้ยแตโตเอามาร่วมปรหารเราม่ยังสิปืเหลียวหาบุเอือนีกับผีบาที่พูกแก็าร่วมปากันเปนตคืองนแหละเอามาไว้ในกระเป๋าลันตัวตเอามาไว้มไปหาบตอื่นมไม่ค่จะเห็นาเขียนหัวอยู่หาได้ซื้ตัวเอามาเคลนหัวไปหายบรอื่นนี่กับโตเอาคำคำคำสอนทั้งหลายปมือที่เขาทมาขันมาร่วมในหั้นก็จะบันที่เพ่งอยู่อย่า้แล้วก็พวกมาบุตเอือนีกรอบมันก็มาถือแก คนก okay ับคนหันบุคนก็บ่คคนหันก็เอายุหันอิสนาม่นเนี่ยนี้ออกจากสนามงานเน่ยบ really ุถ in ือเนี่ยคือเพื่อกันเพื่อนรมในนี้จะเพื่อนตายเพื่อไฝเขาดี๋ยิ้มซึ่งไม่ไฝจิ้มซึ่งอย่างจะตายแล้วใส่เพื่อเพื่อยุหันรถเสียหลันไปรเจ็นมึงรู้รถทัตายซะรถท้ยหลังเจ็ตมึงรู้จะ วัาส <screws> <ground> ีเขาตับรล่อหันล่นเนี่ยของมันมัมีหลาห้องของบอกร้ายก็ว่าของเก่าพานกบว่าไม่หลแล้วกับไ่อกเสียงหลังฟักหมันมุนาจรงไใหญ่ที่เฮ็ดทำม้ายมันก็ร้ายเนน่อยมันก็น่อยเนี่ยายก็ายออกมาจากใจน่อยกหน่อยต้องมาหาใจสงสัยก็สงสัยในใจเองคว่าสงสัยก็มันใจือูว่าสงสัย พันดินพ่นสามาสงสัยพันดินแผนสามารูา้ให้ว่็มันใจตัวพู้เสีรู้เท่าเจ้าของในพีสวยมาเราสู้ดูเท่าเวลผูส้สร้างคืนสร้างข้นให้ใครมาแก้ปัญหาใหา้ในตาหูจมูกเลี่ ย, กกยไไงกายมาแก้ให้มันแก้ให้เมื่อไรละตัวเป็นผู้สร้างขืนแน่ปัญหาเห็นแล้วมันตอนปรดีตอนนี้ก็แก้ท่านจะบอกตัวเป็นผู้สร้างขืนให้ใคมาแก้ให้น่งมีปัญหามาัน คือต่อไผใจเป็นผู้สางึ้นตาหูจมูกเรีนมันสางึ้นโมเป็นคนตายไว้ยังสางคืนโเป็นโมเป็นในใจใจผู้มอย่หันไม่ตาม้ากับโมได้สางอย่งในหูบ้างกับ่าได้ทรงยังขับหาไผ่ได้ม่ผู้รับแผ่นมันมันโมม่เส้นย่หันสติมันสากหลงปู่บิมหาหลวงู่สตินียเนียเปนลงู่นมหาหลงู่ที่สมเด็จารม่เเพอเดียว ที่จะดึงถึงไม่ยากยีลยนิพูนข้า เ, เห็ยนในสมุนท้าขาใจแล้วมันของไม้ของเก่าอันตัวกระตาของไม้เก่าเนี่ยตะะ้องก้องหุนก่าก็จิตใจอันตัวอั น, กอนเก่าเธอนั่นคิดอยู่หวจนพ้นพุนเดบคาพะานพนนินพรว่าเน็ตยังไงสิกขามวยยศนาในนอจ้ะ คำว่าใดแล้วก็ถือเอาเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาถือว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตกับคำว่าไดเคือกันถือว่าโลกเป็นตนตนเป็นโลกกับคำว่าใดเท่ากันถือว่าตนเป็นสั้งขันทังขันเป็นตนกัขคำทังขันว่าใดเท่ากันถือว่าตนเป็นทุกทุกเป็นตนกับคำทุกว่าไดเคือกันถือว่าตนเป็นอันนี้จังอันนี้จังเป็นตนมันกับำอันนี้จังว่าไดเท่ากันถือว่าอนัตตาเป็นตนตนเป็นอนัตตามกับคำอนัตตาว่าใดเท่ากันถือว่าศูนย์เป็นตนตนเป็นทุกย์คำศูนย์ว่าไดเคือกันะเอา นี่สั้ปัญญาเราล้วนได้บา้านเลยสมัครทีิเขาต่อได้ว่านส่วนปัญญาหิวสมาธิขึ้นไปขี้ข้อและ้ะปัญญาผ้าไปเพื่อใหหิวเอาลูกเอาลานคาบข้อและผ้าไปนะเดี๋ยวเขาปัญญาหิวอดเสียนกับสมาธิขึ้นไปนําแล้วเอาไปใส่กระเป๋าด้วยกระเป๋าคล้องปัญญาแล้วอันเถาะเอาไปเป็นว่าขึ้นของปัญญาแล้วอันเถาะหลังสมองแล้วอันเถาะ ยึดได้แล้วอันทียึดสินกับสมาธิแล้วให้เป็นเมื่อขึ้นของปัญญาระบาทเนี่ย่แรกองวาปูที่แรกคือทตั้งบอย่างมากเมื่อหนึ่งมาเป็นเเม็ดที่ทาฝันบานนั่นเปต้นของขึ้นมาขาดลงปูว่ามาสมาิตัวยัง่อนย่งอนสีนอนสดีปล่อยสมาธิเรียไลอนส้องขยันสิเดเิดเอาสมาิังเป็นบทกนเว่าเดินในพัฒนาลดเน่ย ผมไม่อยากขนมากมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอลดณนะเป็นทศสักษรู้เป็นทศักเห็นพรเขาลงให้ใจคอหวแมจะหาไม่มีเรื่องมากเป็นทศสัก่ารู้เป็นทักษะเห็นเท่านั้นจิตต่อไปตายทังองเถอะเว้ยเหแล้ว่าเป็นทักษรู้เป็นทักษะเห็นสิต่อไปตายเทจแต่ว่าแต่ก็ได้จากันั้งานี้ดลไลท์อยางนี้ัวอยงน้ัวดัว สองพวกล่ะเนี้ยี่ขอบเขตเลยภาาอะไรอะเมืาา่กี้าางดีอะทํานหนอ่อยคนแล้วสอภาคกาสนใจมู้โตไม่รู้สองคนท่านตัวจิไม่สามอืมไม่ที ย, มทยัมาม่ยังมูถ้ามันแล้วแม่มอืสามคน ถ้มันเนีมันบาปนบ้าเฮาว่าคือบาปเลยเเข้าสงสัยังมีผู้มาถามมาขข้าเลยคนทํามันมันบาปบ้ว่าส่ใจเฮ้าระวาบาปเลยบ่ได้เออบ่ได้บ่ได้พระทาามันนได้พระหาหน้าข้าเม่กาามันเนี่ยเพราะพน่ไม่ราคาน เราพุทธศาสนาทํามั่นวิธีนั่นถึงพระหน้าค้าวเมียเดี๋ยวพรทํามั่นพระสวัสดบากระทัามเนี่ยแหละทํามันเพระยินดีแต่ผัวตู่เมียตู่เ่ยวั้ยินดีผัวเพิ่นเมียเพิ่นดีว่าดี้เขของตู่ลยอืมมูโตกันไปที่วัดเชิงซันนี้แหละไป มันปฏิบัติฉันเงนแ้โตก็ไม่ยาตัวีอยากอายกันได้ไหมผู้ดใดแสดงกิริยาอันก็ดีขึ้นมาก่อนจะทวงนนมันเนี่ยผวเขาไม่อยานั่นมันโตูองผมมันโตขีเหร่แล้วกันเน่ยวย่อก็มันเส้นฝาละข้าไม่็ย ม, มันต้องมาเกิดกับเขาชวรดาบันเีย เบาแลยวัถาัไม่ขอบเขตเยราคะไม่ขอบเขตโทษะไม่ขอบเขตมุทาน่าก็ีมีนยังเป็นโยมได้ของได้เือยโมได้ทั้มาหากินได้ยู่แต่หาวัตินของดิบได้คนินของดิบเเห็นแก่ปากแก่ทอเราทอเอาของคนมาเป็นของตู่ดูกระดูเอาตจเหตุของจักของมาวางเสียเอาของพื่นมาเป็นของตู่โดยวัตดิสื่อในขอ ยังมีระบบคมนี่มันอันนี้มันเรียบไปถ้าพระโสดาวันน่ละพระโสดาวันมาปล่อยเว้นเชื่องเชีงสด้ายเขียตันนี้กับาปล่อยเว้นเชื่องยงโอ้ยพ่อจะคบกันมาที่ศาลก่อนทมันดีผมไปไปฟ้าทำไมแล้วไปฟ้าผมม่อยากคบกันก็แล้วไปท้าบว่าหกเว้นหกไฟผู้โสดาบันแต่ว่าท่านบ่ถือกันนะยะคบกันนะแตหาบ่ให้ไม่เว้นในไฟบ่ปลุกบ่ผ่อนมันไม้ขวนเองหนพผู้พระโสดาวัน เน่ามึงนะขู่่าจะเอามึงย่ำนึงะเอาเงย่ำนึงจางโบรเนนเด็กออกตัวได้นอแจ้างกับโบกนตัวตัดาวันพระโสชิมหายอะไระโสดชิหายมันไปพราะอะไรพระโสดชิ้หายเนี่ยฮะดาวันเห็นสัตว์ต่อพระองค์เห็นว่าเีว่าผ้าในพระท่านชิบหายโบรเกนสารอุทร่งพระองค์เลยร่องพระพุเก่าเลยมโนเอวพระพุทธเจ้า ไม่พาบรรพัดเบือบ่อเืกระทรัะ่งเก็บหายมืจับก็มันเป็นทา่านเก็บหายคักว่าไ่เสียดายจากเหนียนคือไฟเลยมจับก็มันห้อนคักแบบไฟเสียด า, ายทจะ ก, กัดแต่สั่นว่นจะไปลงจับไปนะพ่มี่เื้นแต่มันโบเห็นมันไปมกคือเทาไว้แล้วเดินวนทาของมนท่าเห็นมันคืออยู่อันตั้งเห็นเนี่ยอย่างไไจะเป็นฟบาบไปเหยียบจังหวะไฟจะเป็นไฟบาไปจับไปจับทานแดงๆหรือจับบนเปลวว่างันนี้คือก เห็นเห็นว่ ม, มันเป็นทางคิดหาไหร้วอดถ้าคักไปอันเห็นคักไปน น, นมันถึนควมเห็นของพระสวาสดิ์ได้เลย